เรื่องของอเวราถูกขึ้นเป็นข่าวอจิยากรรมทางโทรทัศน์ภาคคำแล้วตามด้วยเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยเกือบทุกฉบับในวันรุ่งขึ้นพาดหัวข่าวถูกขึ้นว่าเด็ดหัวพ่อค้ากามปฏิหารส่งพลแม่นปืนยื่นมือช่วยสาวสวยฉิวเฉียด ร, รายละเอียดในหนังสือพิมพ์เปิดเผยชื่อและนามสกุลจริงของบุคคลในข่าวทั้งหมดยกเว้นอเวราผู้เป็นเหยือ่อ ซึ่งลงเพียงนามสมมติและมีรูปประกอบแบบครึ่งตัวแบบมีแถบสีดำคาดตาบางๆให้ดูตัวจริงไม่ออกส่วนรูปของสิบตำรวจโทรเรืองยศจะเป็นรูปหน้าเต็มขนาดเล็กเนื่องจากเป็นมือปืนพิฆาตสองทรชนทำให้เหยื่อรอดจากการถูกนำไปค้ากามราวกับเป็นปฏิหารมีสิ่งศักดิ์สิทธ์มาช่วยเหลือและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ได้มาอยู่ในมือของละอองฝน พี่สาวนัชเลในตอนเช้าบนโต๊ะอาหารข้าวเด่นกระทบตามองภาพสาวเหยื่อไม่ค่อยชัดนักจึงไม่รู้ว่าเป็นอเวราน้าสาวของตนเองแต่พออ่านเนื้อข่าวพบชื่อของพรฤหัตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็อดกรี๊ดขึ้นมาไม่ได้มีอะไรเหรอฝนตอย ต่อยโดนยิงอะฮะต่อยเป็นอะไรโดนยิงเหรอต่อยไหนน่ะทายแล้วโดนยิงเรื่องอะไรลูกเ อ, อ่อต่อยเป็นเพื่อนของเรืแล้วที่โดนยิงน่ะ อ, อ, อุ๊ยรูปนี้ใช่หน้าเค้กหรือเปล่าเนี่ยไหนไหนอนหังสือพิมพ์ให้แม่อ่านหน่อยสิหลังจากอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์จบ รสสรินก็ร้อนใจอดไม่ได้ต้องรีบโทรศัพท์ไปหาอเวราทันทีสวัสดีค่ะพี่น้องเค้กเป็นยังไงบ้างเห็นข่าววันนี้ใช่เธอหรือเปล่าอ่ะข่าวเขาลงข่าวว่ายังไงเหรอคะก็ที่เธอโดนลักพาตัวจะเอาไปขายแล้วมีผลแม่นปืนช่วยสังหารสองผู้ใดได้ยังไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาลงแค่นามสมมุติ แล้วรูปก็มีแถบคาดตามองไม่ออกหรอกว่าเป็นเค้กถ้าทางยังไม่มีใครรู้หรอกยกเว้นจะมีร่องรอยให้ประติดประตอเห็นข่าวอย่างนี้ก็เลยเป็นห่วงเธอปลอดภัยดีใช่ไหม <c oughs> เค้กปลอดภัยดีค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเรื่องทุกอย่างจบแล้วค่ะแล้วเธอจะไปทำงานหรือเปล่าละ่ะวันนี้กับพรุ่ง น, นี้คงยังไม่ไปแล้วค่ะไม่มีกระจิตกระใจออกไปไหนไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้อง งั้นเย็ยนๆพี่แวบไปหานะค่ะพี่น้องเย็ยนวันนั้นรสรินก็พาณชเลไปเยี่ยมอเวราโดยตกลงกันว่าจะไม่บอกเรื่องที่พรฤหัสมาจีบละ อ, องฝนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมให้อเวราต้องกระดากใจหนักกว่าเก่าสภาพของอเวราไม่ได้ย่ำแย่อกไม้ไส้ขมหรือเอาแต่นอนตอมตรมอย่างที่ใครๆคิดหญิงสาวก็เปิดประตูรับแขกตามปกติ มีรอยยิ้มมวนซึมอยู่บ้างแต่เมื่อถูกขอให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดก็ <S <S สามารถเล่าได้อย่างมีสติอาจมีเสียงสะอื้นในบางตอนบ้างไม่เกินครั้งสองครั้งและมาเล่าจบลงตอนที่ให้การกับตำรวจโดยพยายามใช้คำพูดปกป้องพฤหัสว่าเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ถูกตะล่อมหลอกมาใช้งานครั้งแรกไม่เคยทามาก่อนกับทั้งไม่ได้มีสันดาณหยาบช้าเกินแก้เพราะในนาทีสุดท้าย เขาก็กลับใจมาช่วยเธอโดยยอมสละชีวิตของตนเองเข้าแรกดีแล้วล่ะคนเราเริ่มทาเลวที่สุดก็ตอนเห็นคนอื่นไม่ใช่คนแต่เลวแค่ไหนก็กลับใจใหม่ได้ตราบเท่าที่ยังมีตัวตนเป็นคนอยู่และรู้จักคิดอ่านพอจะสำนึกว่าสิ่งที่ทำลงไปมันน่าละอายแค่ไหนต่อยเขามีวาสนาแล้วที่ได้เจอคนสุดท้ายในชีวิต คือเค้กซึ่งมีความดีงามพอจะบรรดาลให้เขาเกิดสํานึกแบบมนุษย์อีกครั้งไม่ใช่ว่าเค้กเป็นคนดีแล้วค่ะต่อยก็ยังถามเลยว่าเป็นตัวจริงของเค้กแน่เหรอที่ไม่โกรธเขาที่จริงเค้กเป็นแค่ร่างทรงของนางเอกเท่านั้นนางเอกที่ทําให้เค้กเกิดแรงบรรดาใจอยากเอาภัยให้เขาจริงๆคือซายนะอุ้ยไม่ใช่หรอกคะ่ะ นักเคก้กต่างหากทำให้ทายทราบซึ้งจริงๆว่าคนเรามีธรรมะแค่ไหนคงเห็นได้ยากตอนเป็นสุขแต่จะเห็นได้ชัดก็ตอนเป็นทุกข์หรือตอนตกที่นั่งลำบากนี่เองอภัยทานของนักเคก้กมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรวมทั้งเป็นแรนบันดาลใจอย่างใหญ่ให้ทายด้วยซายกลับอนุโมทนาค่ะสารภาพตามตรงเท่าที่ฟังนักเคก้กเล่ามาทั้งหมดถ้าเจอกับตัวเองทายคงดีไม่ได้เครื่องของนักเคก้กหรอก ซรายนะ่ะเป็นคนมีบุญยังไงก็ไม่มีภัยที่ไหนกล้ำกลายได้เหมือนคนบาปอย่างน้าหรอกพี่ว่าบาปของเธอล้างหมดก็คราวนี้แล้วมั้งเมื่อกี้เห็นเธอทีแรกก็รำร่ำจะทักนะดูเป็นอิสระเบาตัวแล้วก็พ้นมนถิ่นหมดจดจริงๆ <c oughs> แล้วคะ่ะ <c oughs> เ ค, ค้กถือว่านี่เป็นคำพยากรณ์อันเป็นมงคลเลยคะ่ะ เท่าที่เค้กบอกตัวเองได้คือถ้าเค้กกับเขามาจับคู่กันใหม่ก็แน่ใจว่าจะไม่เป็นไปเพื่อการก่อเวรอีกแล้วและตอนเนี้เค้กก็รู้สึกดีกับเขามากด้วยค่ะนั่นแหละเค้กไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองความดีของเค้กยังขยายผลไปถึงเขาถ้าเชื่อว่าการทําร้ายกันในชาตินี้คือผลมาจากการผูกเวรของเขาในอดีตเขาก็เป็นอิสระจากอดีตกรรมแล้ว ด้วยการอาหูสิฟังเรื่องของนากเค้กแล้วส่เห็นท่าของการผูกเวรชัดเจนเลยค่ะเวรที่แต่ละคนถือไว้เนี่ยไม่ใช่แค่แปรเป็นอาวุธทิ้มแทงให้ศัตรูเดือดร้อนเท่านั้นแต่ตัวเองก็จะย่อยยับอับปางไปด้วยเหมือนอย่างนายคุณนี้ที่วิธีแห่งการจองเวรก็ได้ซัดพาเขาเข้าไปมั่วสุมกับพวกค้า ม, มนุษย์เรียกว่ามาหาอปมงคลขนานแท้เลยอาชีพแบบนี้ทุกความคิด ทุกคำพูดทุกการกระทำคงเป็นอกุศลล้วนๆเหมือนอาบบาปต่างน้ำก็ว่าได้นี่ยางดีนะที่เขาก่อกรรมไม่สำเร็จลุล่วงเต็มร้อยกับทั้งละบาปเสียได้ก่อนตายไม่งั้นคงลงนรกแน่แปล ว, ว่าที่ต่อยสละชีวิตอย่างนี้อย่างน้อยเขาคงไปเกิดเป็นคนใช่ไหมคะเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งกรรมที่ทำใกล้ตาย มีผลต่อการกําหนดคติเบื้องหน้าได้มากโขตำราว่าเนื้อกว่ากรรมที่ทำเป็นประจำระหว่างมีชีวิตปกติซส่ยอีกรสรินพูดแบบคนทั่วไปที่ไม่มียา น, ยนอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์จึงให้ได้เพียงแค่คำสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่อาจพยากรณ์จากความรู้แจ้งเห็นจริงว่าพฤหัสไปสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้น น่าแปลกจังทำไมใจเราถึงค้านกับคำพูดที่ปลอบใจเค้กจังเลยหรือว่าเราบอกเขาผิดไปในต่อยอาจไม่ได้เกิดใหม่เป็นคนในตอนนี้ก็ได้เรื่องที่นักเคกรอดมาได้เนี่ยเหมือนปฏิหารจริงๆนะคะอย่างกับมีใครมาวางตัวนายตำรวจนักแม่นปืนไว้ช่วยเลยทายว่านี่เป็นสุดยอดของความเหลือเชื่อจริงๆ น้าเองก็งงๆเหมือนกันแลวจ้ะตัวของตำรวจเองก็คงงงไม่แพ้กันหรอกทายว่าต้องเป็นวิบากดีของนักเค้กแน่ๆค่ะถ้านักเค้กไม่ให้อภัยเขานายคนนั้นก็อาจไม่เปลี่ยนใจยังคงกักนักเค้กรอส่งตัวอยู่ที่บ้านผลคือจะไม่มีใครไปถึงจุดนัดพบของวิบากที่มีตำรวจนั่งแป้นรอช่วยเหลืออยู่ทุกอย่างประจวบเหมาะกันพอดีแบบไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกิน ทั้งบุคคลสถานที่แล้วก็นาทีสําคัญนึกถึงแล้วนะก็ไม่รู้จะขอบคุณคุณตํารวจคนนั้นยังไงถูกนี่ตั้งใจจะซื้อของขวัญไปฝากอยู่เหมือนกันแต่ยังไงคงตอบแทนไม่ได้เท่าครึ่งของเครื่องที่เขาช่วยเราไว้ทั้งชีวิตเขาเป็นคนดีมากเลยนะตอนที่ไปขอบคุณเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ทําอะไรพิเศษและไม่เห็นเป็นบุญคุณสักเท่าไหร่ พูดหน้าตาเฉยด้วยว่าปืนเป็นของราชการและเขาเองก็เป็นคนของราชการเงินเดือนก็มาจากภาษีของเค้กการช่วยให้เค้กรอดถือเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ช่วยสิถึงจะนับว่าละเลยหน้าที่โหฟังแล้วถึงได้รู้ว่าตำรวจที่แสนดีเป็นอย่างนี้เองก็ดีนะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเสียสละด้วยการยอมให้มือนตัวเองเปื้อนเลือด เอ๊ะสิ่งที่เขาทำนี่บาปด้วยเหรอคะก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆไปผลกรรมที่ทำอาชีพนี้เป็นอย่างไรเหรอคะถ้าเขาตั้งต้นจากความคิดช่วยคนบริสุทธิ์ก็ถือว่าอาชีพของเขาคือการช่วยเหลือผู้อื่นจัดเป็นฝ่ายบุญเขามีคนแบบเค้กจำนวนหนึ่งที่ติดหนี้บุญคุณอย่างใหญ่แล้วโดยเจตนาช่วยใครต่อใคร ก็จะทำให้เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือแบบไม่คาดฝันบ่อยๆแต่การที่เขาอาจต้องทำตัวเป็นยมมทูตปลิดชีวิตคนชั่วร้ายโดยไม่ให้มีโอกาสหลบหลีกก็ทำให้เป็นผู้ได้รับการลอบทำร้ายแบบหมดทางป้องกันตัวได้เหมือนกันเท่าที่เคคฟังฟังพวกตารวจคุยกันที่โต๊ะสอบสวนคำพูดค่อนข้างสะท้อนชัดนะคะว่าใจพวกเขาเห็นว่าคนชั่วสมควรตาย เห็นว่าต้องมีผู้ทำหน้าที่แบบนี้แล้วจะมีใครยอมทำถ้าไม่ใช่พวกเขาซึ่งคิดเห็นและเต็มใจยอมเป็นฝ่ายลงมือกำจัดคนเลวๆทิ้งจากโลกนั่นแหละแต่ละอาชีพจะมีความสนุกของตัวเองซึ่งคนวงการอื่นไม่รู้ไม่เห็นความสนุกนั่นแหละจะดึงดูดคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาและวนเวียนอยู่กับวงจรชนิดนั้นๆพอคิดค่าแล้วลงมือค่าแล้ว จิตก็จะยึดจับพบแห่งเพชฌคาตไว้เชื่อว่าการฆ่าพวกคนชั่วจะได้บุญทำให้มีวิบากต้องวนเวียนอยู่ในวงจรปานาติบาทเสวยผลจากปานาติบาทเช่นมีอายุสั้นและร่างกายอ่อนแอด้วยโรครุมแต่ก็ต่างจากพรานล่าเนื้อตรงที่มีกุศลจิตมาแบ่งเบาบ้าง อ, อหวังว่าเขาคงไม่ทำตรงนี้ไปตลอดนะคะ วันหนึ่งคงมีคนมาแทนพลแม่นปืน่ะไม่น่าหาง่ายนักหรอกเพราะต้องการคุณสมบัติหลายอย่างพร้อมสับในตัวคนเดียวเค้กอย่าห่งเขาเลยถ้าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ด้วยความโกรธหรือความชิงชังเป็นส่วนตัวใจก็จะไม่ยินดีกับการฆ่าอย่างเหนียวแน่นเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงยังไงเขาก็ต้องคลายจากภพของเพชรคาดด้วยปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ ที่เป็นบุญเองนั่นแหละกลัวแทนจังเลยนะคะถ้าเขาต้องทำอยู่ตรงนี้นานๆโลกเรามีเรื่องอายุติธรรมและมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นความอายุติธรรมก็มีความตั้งใจทําลายล้างความอายุติธรรมซึ่งบางทีวิธีทําลายล้างก็อาศัยความอายุติธรรมนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเต็มไปด้วยหลุมพลางของโลภะโทสะโมหะ ง่ายที่จะพลาดแต่ยากที่จะรอดพระท่านถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ควรโทษใครแต่ต้องเห็นโทษของการอยู่ในสังสารวัตเมื่อวานเธอไปงานศพในต่อยมาแล้วใช่ไหมค่ะเข้าหน้ากับพ่อแม่ในต่อยได้สนิทหรือเปล่าเขาคงไม่ผ่านพาลกล่าวหาว่าเธอทาให้ลูกเขาตายหรอกนะไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะก่อนหน้านี้ เค้กไม่เคยเจอไม่รู้จักหน้าพวกเขาพอเค้กโผล่ไปงานก็มัวแต่นั่งร้องไห้ไม่มีใครแปลกใจเพราะคิดว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสาวๆของต่อยเข้ามั้งคะแล้วนะัเค้กเจอเพื่อนคนไหนของต่อยบ้างหรือเปล่าคะหวังว่าคงยังไม่ได้เจอเลิกนะไม่งั้นความแตกแนะ่ทั้งเรื่องที่ต่อยเป็นเพื่อนกับเลิกและที่ต่อยมาจีบฝนด้วยอืมยังไม่เจอนะเห็นมีแต่ญาติ แต่วันเนี้คงมีเพื่อนที่รุงเรียนไปกันบ้างคืนนี้น้าเค้กจะไปอีกไหมคะคงไปจ้ะน้าก็กลัวคนในงานจะคุ้นหน้าเหมือนกันแหละแต่คิดไปคิดมาคนก็ไม่น่าจำได้นะรูปน้าในหนังสือพิมพ์ถูกคาดหน้าซะอย่างนั้นคนไม่คุ้นหน้ากันไม่น่าจำได้หรอกเออให้ทายไปเป็นเพื่อนไหมคะใจจริงไม่ได้อยากไปหรอกแต่ต้องไปกันท่าไว้ก่อน เผื่อเจอเรื่อเจอเพื่อนของต่อยอเข้าจะได้หาทางพูดไม่ให้ในเค้กเสียความรู้สึกมากกว่านี้เอาสิดีเลยนะากำลังอยากหาเพื่อนไปพอดีขอบใจมากนะจองเริกมาถึงศาลาสวดศพเพลิดัพลิพร้อมกับเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นกลุ่มหนึ่งพอเขาเพิ่งจะได้นั่งเก้าอี้เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮลัลโหลทาย เลือกรู้ข่าวในต่อยเพื่อนของเธอได้ยังอืมกาลังนั่งอยู่ในงานศพแล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงในข่าวคือใครไม่รู้ใครเหรอนักเค้กไงล่ะฮะแน่ใจเหรอสายอยู่ที่ห้องนกักเค้กกําลังรอนักเค้กอาบน้ําเมื่อกี้เพิ่งคุยกันยาวเหยียดอยากฟังรายละเอียดเพื่อความแน่ใจไหมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนซีของเรลอง น, นี่เรลองน่าจะบอกสายมากกว่านะว่าทาไม ไม่แน่ใจว่าคืนนี้ฝนจะไปงานศพหรือเปล่าแต่นักเค้กไปแน่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าพูดพลาดพิงถึงฝนก็แล้วกันไม่อยากให้หนักเค้กเสียใจซ้ำซ้อนเออเอาอย่างงี้ดีไหมให้เรากลับก่อนนักเค้กจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าแล้วก็ไม่ต้องโยงมาถึงต่อยกับฝนไม่มีเหตุผลขนาดต้องให้เธอทิ้งงานศพเพื่อนไปหรอกนะ้าแล้วถ้าฝนมาล่ะอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ ทายกับแม่ไม่ถามแล้วก็ไม่ห้ามเขาหรอกเมื่อเช้าดูท่าแล้วฝนเสียใจไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถือซะว่าความลับไม่มีในโลกความจริงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักหอกกรอกแค่กลัวว่านักเค้กจะเขนินหรืออาจจะรู้สึกอะไรแบบที่พวกเราคาดไม่ถูกแล้วไม่กล้ามาที่บ้านอีกเพราะฉะนั้นถ้ากันได้ก็กันถ้ากันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเรา นักเค้กมารู้จักกับต่อยได้ยังไงเมื่อไรก็ระยะหนึ่งก่อนที่เธอจะพาเขามาป้วนเปี้ยนแถวบ้านทราย<โอ>แล้วนักเค้กาล่าว่าไงอ่ะต่อยไปเกี่ยวกับคดีนี้อีท่าไหนเขาจับนักเค้กจะเอาไปขายแน่สิฮะตกใจอะไรมากมายครับพ่อคุณนี่ท่านนักเค้กไม่ทำให้แต่นั่นกลับตัวกลับใจได้สึกก่อนก็เดาทางถูกเลยว่ารายต่อไปจะเป็นใคร ไม่คิดเลยว่าต่อยจะเป็นคนแบบนี้เอาเถอะเดี๋ยวเจอกันสายจะไปกับนักเ ค, ค้กด้วยความจริงไม่อยากไปนักแร้แต่กลัวเลิกทำเสียเรื่องพยายามพูดให้น้อยๆหน่อยปล่อยให้ซายพูดเองจะดีที่สุดได้เออซายเราเออนี่แปลว่าเราต้องบอกขอโทษซายอีกแล้วสินะช่างเธอผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ก็น่าบิดหูใช่ไหล่ะ <laughs> เท่านี้ก่อนนะวัดอยุ่ใกล้ๆอีกสักครึ่งชั่วโมงเจอกันโลงศพของพระฤัษีเหมือนเตือนให้อเวลารละลึกถึงคุณงามความดีครั้งสุดท้ายของเขาที่สานึกผิดและยอมชดใช้ด้วยชีวิตทำให้อเวลาอดร้องไห้ไม่ได้ <c oughs> บรรยากาศ ร, บรอบๆก็มีสาวน้อยอีกหลายรายที่ตาแดงบ้าง ร้องไห้กระซิกกระซิบบ้างนัชเลเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าตนเองกับน้าสาวก็คงโดนเข้าใจผิดเหมารวมว่าเป็นหนึ่งในสาวๆของผู้ตายด้วยคนมากันเต็มศาลาพระจะเริ่มสวดนัชเลมองหาจองเริกก็พบว่าเขาจองที่นั่งให้แล้วและกำลังกวักมือเรียกพวกหล่อนให้เข้าไปหาพอได้ที่นั่งเรียบร้อยเอาเวลาก็ปิดหน้าร้องไห้เงียบ ท่ามกลางเสียงพระสวดศพน้ำมัวแต่ร้องไห้เลยแทบไม่ได้ฟังพระสวดเลยขอบใจเริก ม, มากนะที่จองที่นั่งให้โดนไปสั่งจึกซ้ายเหรอเอ่อเอ๊ะเริกอยู่โรงเรียนเดียวกับต่อยเหรอทำไมชุดนักเรียนถึงปากอักษรย่อเหมือนกันเออคือว่ารัก เ, เขาเป็นเพื่อนกับ เออนายคนที่นอนอยู่ในโลงนะคะอ๋ อ, อบังเอิญจริงค่ะเหมือนโลกมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนถามไปถามมารู้จักกันหมดแล้วซายเคยเจอต่อยบ้างไหมก็เออหลายอาทิตย์ก่อนดูเหมือนบังเอิญพบในห้างนะคะตอนนั้นไปเดินกับเ่อกแล้วเขาเจอกันพวกเขาก็ทักทายกันตามราษาห้างเซนทรัลช่วงก่อนเที่ยงใช่ไหม ซายก็จำไม่ถนัดว่าเวลาอะไรแต่ก็น่าจะเราเราน้นบ้งคะ่ะทําไมแหละค่ะนะกเค้กใช่แล้ววันนั้นประนัดต่อยให้เจอกันในห้างตอนแรกยังคุยโทรศัพท์กันดีดีเสียงเรื่รื่นแต่พอผ่านไปไม่กี่นาทีเราจอดรถกลับพบต่อยตาลอยเมอเหมือนคนตกหลุมรักไม่อยากชื่อเลยว่าผู้หญิงชื่อซายที่เขาลูเมอหากลางดึก คือหลานสาวของเราเองน้าเค้เป็นอะไรไปคะเงียบไปนานเชียวน้าก็เป็นได้อย่างมากแค่เดยให้เขาเขียดทิ้งเท่านั้นแหละซรายซายไม่ได้พบต่อยแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเอ๊ะทำไมน้าเค้กถึงทำหน้าแปลกแปลกทำเสียงแปลกแปลกเหมือนกาลังโกรธอะไรเราอยู่อย่างนั้นหละนาเค้กคะ เรากลับบ้านกันเลยดีไหมคะนั่งคุยในรถจะได้ถนัดถนัดนักเค้แปลกไปมากนะเนี่ยทำท่าปั้นปืนรีบลุกเดินดำหน้าพวกเราเอ้าวๆเลยสายกับเริขึ้นรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะกลับบ้านกันได้เลยเดี๋ยวสายตอบน้ำมาก่อนเคยพบต่อยกี่ครั้งสองสาครั้งคะ่ะเขาเป็นคู่เล่นแบดกับเลิก มีอยู่วันนึงเราเกิดอยากเล่นแบทคู่ก็เลยชวนสายกับฝนมาเข้าทีมด้วยกันจริงครับเล่นแบท ด, ด้วยกันเหรอแล้วเจอกันที่ไหนยังไงอีกนัเ ค, ค้กคะสงสัยอะไรก็บอกตรงๆได้ไหมถ้าสายมีความผิดก็จะยอมรับแต่ถ้านักเค้เข้าใจผิดสายจะได้แก้ซะให้ตรงกับที่ถูกตายแล้วนี่เราเผลอให้ความหึงหวงความโกรธเข้าครอบงําตั้งนานอายเด็กจริงๆ ทายไม่มีความผิดหรอกนะแค่อยากรู้ว่าซายสนิทกับเขาแค่ไหนเท่านั้นเฮ้ยพูดกันนับคำได้ค่ะทุกครั้งเรื่ก็อยู่ด้วยเสมอแต่อืนี่นะเคกดูเรื่องเขามาจีบฝนใช่ไหมคะเฮ้ยขาจีบฝนไปถึงไหนแล้วล่ะฝนเคยพาเข้าบ้านครั้งหนึ่งวันนั้นนะเคกก็มาพอดีด้วยมีหน้าล่ะเขาถึงรีบหนีออกไปโดยด่วน ไม่อยากพูดซ้าเติมคนตายแต่ซายอยากบอกนักเค้กตามตรงค่ะว่าเขาไม่มีค่าให้ควรนึกเศร้าย้อนหลังเลยโล่งใจเธอว่านักเค้กกับฝนรอดมาได้ก็ดีแล้วเขาไม่ได้จีบฝนหรอกฝนไม่ใช่เป้าหมายของเขาก็นั่นน่ะสิคะแท้ที่จริงแกล้งมาหลอกจะเอาไปขายมากกว่าเปล่าเขาอาศัยจีบฝนเพื่อเข้าบ้านจะได้ไปเจอซายน่ะนักเค้กเอาอะไรมาพูดค่ะ ท่าทางเขาจะหลงไหลทรายเอามากๆขนาดเคยนอนละเมอหาทรายกลางดึกทีเดียวนะนาไม่คิดเลยว่าจะเป็นทรายของน้านี่เองสงสัยอย่างที่นาเค้กว่าเนี่ยแหละทรายความจริงอ่ะเรารู้ๆอยู่นะว่าต่อยอ่ะมาหลงรักทรายเอามากถามถึงทรายอยู่เรื่อยนับตแต่วันแรกที่เจอกันในห้างนั่นแหละอุตสาหถมปั้นเรื่องเป็นเด็กเลี้ยงแกะกลางดึกเพื่อลวงความลับแล้วก็หาเรื่องให้เร่รู้จักกับทราย เขาก็คงเห็นทายเป็นแค่เหยื่อรายต่อไปอ่ะไม่มัง้งถ้ามาถึงขั้นละเมอเรียกชื่อกลางดึกอย่างนักเคกบอกเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะงั้นเรอก็ใช้ไม่ได้รู้จุดประสงค์ของเพื่อนเธออย่างนี้ทำไมาถึงยังปล่อยให้เข้ามายุ่งย่ามกับพี่สาวทรายอีกล่ะก็เราเคยบอกไงมันเห็นหน้าทายก็เลยถามว่ามีพี่สาวน้องสาวไหมแล้วตอล่อมหลอกล่อขอให้พามาเล่นแบดด้วยตอนนั้นน่ะใครจะนึกว่า มันมีอะไรซ่อนแฝงซับซ้อนขนาดนี้ลืมมันเะครับนะเค้กไอ้เพื่อนสารเลวเนี่ยทาไม่ตายคงได้ก่อความวายว่อดในใครต่อใครอีกเยอะคนตายยังไงก็กลับมาให้การไม่ได้พวกเราคงดีแต่สารนิษฐานกันเรื่อยเปื่อยจากวิธีปฏิติดตอ่อแล้วอาจได้ข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับเขานะักนะเค้กมองอย่างนี้เถอะคะ่ะการสละชีวิตของเขาเป็นของจริงสิ่งสุดท้ายที่เขาทําไปก็เพื่อนะเค้กคนเดียว ในขณะที่ความรุ่มหลงใครต่อใครไปทั่วยังมัวมนเหมือนวิมาในอากาศที่ไม่เคยสร้างสิทธิ์นั่นนะสิขนาดอยู่ในตอนที่ชีวิตครับขันร้ายแรงที่สุดนะยังให้อภัยกับเขาได้เลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงยังต้องมาถือโกรธกับเรื่องเก่าๆที่มันจบไปแล้วด้วยนะใช่แล้วค่ะเคยมีคนที่เขารู้ซึ้งเรื่องกรรมวิบากบอกกับทรายว่าการเป็นคนใหม่อย่างแท้จริง คือการหลุดจากเส้นทางกรรมเก่าเลือกเดินบนเส้นทางกรรมใหม่ที่ต่างไปทุกครั้งที่เราให้อภัยจากใจจะเป็นทุกครั้งที่ความผูกพันอยู่กับพบเดิมเคลื่อนไปเสมอความเบาโล่งในหัวอกและมุมมองที่แตกต่างคือเครื่องยืนยันชั้นแรกเหตุร้ที่เข้ามากระทบตัวเบาลงคือเครื่องยืนยันชั้นต่อมาเรื่องดีๆที่มีแต่ผลเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือเครื่องยืนยันชั้นสุดท้ายใครนะ พูดเป็นกำลังใจดีจังชื่อหมออุปการะค่ะท่านมีคำพูดดีๆเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้อีกมากดีจังฟังอย่างนี้แล้วอยากเจอไว้ทายจะพาไปหานะคะพรุ่งนี้เลยได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเรีบกลับบ้านกันก่อนเถอะค่ะนั่งคุยกันในรถนานแล้วอ๋อ <c oughs> จริงด้วย <c oughs>